ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับคณะทาทยญาติโยมผู้ที่จะรักษาศีลก่อนเพราะว่าหลวงพ่อได้ยินไปในสถานที่ต่างๆเวลาคณะทศทยญาติโยมอาราธนาศีลพระเถระหรือว่าที่เป็นประธานสงฆ์ท่านก็ให้ศีล ท่า น, นก็คงจะคิดว่าพี่น้องประชาชนาาศรัทธาญาติโยมคงจะรู้แล้วว่าศีลมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสำหรับตัวของพวกเราแต่หลวงพ่อเองก็ได้นำมาคิดมาพิจารณาไตรตรองเพราะว่าหลวงพ่อไปนัสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้มาฟังเสียงสะท้อนย้อนกลับ เห็นว่าพวกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็ไม่ค่อยจะได้สนใจเรื่องศินเรื่องธรรมเท่าไหร่โดยมากก็พอรับษาสินเสร็จแล้วก็เพียงทำเป็นพิธีแล้วกระจบแล้วก็ผ่านผ่านกันไปไม่ได้นำมาวิเคราะห์ว่าศินนี่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสมควรแก่ใครจะต้องรักษาเพอเพอเอาเข้าลูกหลานที่เกิดมาใหม่ ใหญ่ทีหลังน่ยก็เลยเหมารวมกันว่าสินเป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุผู้ไม่มีหน้าที่การงานทําแล้วควรจะรักษาศินอย่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ยังมีอายุน้อยหนุ่มอย่างนี้จะมัวเมาแต่มารักษาสินจะได้อยู่กินอย่างไรเพราะฉะนั้นศินเป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุ เ, เท่านั้นในความคิด อันนี้คือมากมายหนาขึ้นไปหนาหูขึ้นเรื่อยๆสําหรับพระครูบาอาจารย์และอย่างหลวงพ่อที่อยู่ภายในได้ยินลักษณะอย่างนี้มากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไปในสถานที่ใดหลวงพ่อจะแนะนําเรื่องของศีลศีลเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาศีลมีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนต่อสังคมต่อตัวของเราเองเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าว ให้แก่คณะสัตยาธิโยมที่จะรับสินเพราะว่าเวลามีสาธารณพิธีอย่างนี้ละทุกครั้งเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะสัตยาธิโยมก็ต้องกราบอาราธนาสินพระสงฆ์ก็ต้องให้สินทุกครั้งแล้วก็ผ่านกันไปแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะบรรยายระอว่าแนะนำว่าสินมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไร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 บันเทาความสงสัยเสียได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสอันนี้คือฟังธรรมะฟังเรื่องของศีลก็ลักษณะเช่นเดียวกันถ้าว่าพวกเราตั้งใจฟังครูบาอาจารย์องค์หนึ่งแนะนำอย่างหนึ่งท่านก็จะอธิบายให้ฟังเรื่องของศีลเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะกล่าวตั้งแต่นโมตัสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพวกลูกหลานที่เกิดยังไม่ได้เคยเข้าวัดไม่ได้สนใจเรื่องวัฏปัสสนาก็คงไม่เข้าใจเหมือนทําไมก่อนจะรักษาศีลทําไมจึงว่านโมก่อนนะโมตัสสะปะคะวะโตวความแปลหรือความหมายนะโมนั้นว่าข้าพเจ้าขอนอ้อน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น กล่าวถึงสามครั้งยืนยันทําไมเราจึงกล่าวหน้าโมเพราะว่าที่เราจะรับศินเนี่ยสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินี่เป็นใครเป็นผู้บัญญตัติคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเรื่องของศินเพราะฉะนั้นพวกเราจะรับสินรือรับแนวทางคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจึงนอบน้อมบรมครูซะก่อนคือต้นความคิดคือต้นที่พระพุทธองค์บัญญัติเอาไว้คือ เคารพบูชาแนวความคิดผู้ที่บัญญัติศินให้แก่พวกเราได้พฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงพวกเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าสามครั้งจากนั้นพุทธทางธรรมังสังสาานานขังสระนังคตฉามิดูติยามปีพุทธทางธรรมังสังสาานานขังสระนังคตฉามิยืนยันเป็นครั้งที่สองตติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังสระนังคตฉามิยืนยันเป็นครั้งที่ส ว่าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองตัดสรุปธรรมพระธรรม 8,000 0สี่พันพระธรรมมขันบริสุทธิ์บริบูรณ์พวกเราได้นำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์มาพิจารณาไตรตองด้วยเหตุและผลด้วยปัญญาถึงจะพวกเรามีปัญญามากน้อยแค่ไหนพวกเราก็ซึ้ง ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักเหตุผลในนั้นเพราะนั้นพวกเราจึงได้นับถือพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรม 84%00 มพระธรร ม, มขันให้แก่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติพวกเราได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์มาปฏิบัติแล้วพวกเราจึงยึดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าจริงสําหรับเรา อยางนั้นสังขังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราจึงได้ความเคารพนับถือพระพุทธศาสนารู้เรื่องของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้นับถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมมาสั่งสอนพวกเราพวกเราก็คงจะไม่รู้ พระธรรมคาสอนเพราะฉะนั้นเราจึงได้ยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระณะเป็นที่พึ่งจากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้นําสมาทานศีลเป็นข้อๆทิ้งข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าพระพุทธทเจ้าท่านเป็นธรรมธรรมมาธิปไตยประชาธิปไตยธรรมมาธิปไตยให้ความเสมอภาคต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าว่าอย่าฆ่ากันนะถ้าฆ่ากันเราไปคิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียของเขาเขาก็เสียอกเสียใจยถ้าเขามาฆ่าเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนสาวกของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทของพระพุทธองค์ ว, ว่าข้อที่หนึ่อย่าฆ่ากันข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณีสิ่งของของใครเขากรักสงวนหวงแ ห, หน ถ้าเราไปขโมยเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันคําว่าขโมยคํานี้ไม่ใช่ว่าขโมยรองเท้าขโมยของเล็กน้อยต่อไปมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยขโมยรถขโมยสิ่งของขโมยวัวควายขโมยเงินในธนาคารเขาก็ยังขโมยได้ขโมยพ่อขโมยแม่ขโมยลูกสามีภรรยาของเขาไปเรียกค่าไถ่อย่างนี้ก็เป็นจัดว่าเป็นขโมยเหมือนกัน ถ้าเขามาขโมยเราเราก็เสียใจเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อื่นไกลก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่แหละคือศีลนีน่คือพวกเราให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือศีลข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิจช า, จาราเวรมณนีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนหวงแหน ถ้าเราไปร่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาร่วงล้ำเราก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์ว่าให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีถ้าพวกเราไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วโลกทั้งโลกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้ต่างคนก็ต่างลวเลวีงระหว่างในสามีภรรยาลูกหลานของไข่เพราะนั้นสีลข้อที่สาม พระพุทธเจ้าจึงมันอยติว่าให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างมีนี่อันนี้คือศินข้อที่สมกาเมสุมิทสาจาราเวรมณีศิลข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่ากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเขานะเออถ้าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเราก็เสียใจเอาสิ่งของเออเอาเงินปลอม ไปบอกว่าเงินจริงเอาทองปลอมไปบอกว่าทองจริง อ, อ, อย่างนี้หรือว่าต้มตุ๋นหลอกลวงเอาเช็คเด้งเขียนว่าเช็คจริงไปหลอกเขาว่าเป็นเช็คจริงแต่ที่แ ท, ท, ท, ท้เป็นเช็คเด้งไม่มีเงินไอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นตระกูลโกหกเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่าโลกทั้งหลายอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงตอแหลต่อกันและกันแล้ว โลกทั้งโลกจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเหตุไรพ่อโลกมีแต่เรื่องโกหกนะพราะพุทธเจ้าบัญญัติสินข้อที่สเพื่อให้พวกเราได้ปฏิบัติไปที่ไหนก็ให้มีความซื่อสัตย์มีความพูดตรงแต่เรื่องที่ไม่น่าพูดก็ไม่ควรจะพูดนะหยุดพูดเพราะพูดไปแล้วเสียหายอันนั้นกวักควรจะหยุดไม่ใช่ว่ารู้ทั้งหลายรู้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงจะพูดทั้งหมดก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องอวิเคราะห์ด้วย พูดออกไปแล้วเสียอะไรได้อะไรถ้ามันเสียหายเราก็ไม่ควรจะพูดอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่หสุราเมระยะมชะปประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายได้ได้ทุกอย่างทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะขาดสติในเมื่อคนขาดสติทาความ ชั่วฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ประผิดประพื่ผิดละลาบละลวงสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะเหตุไรเพราะดื่มสุราเพราะคนเมาเพราะขาดสติเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเรานำมาวิเคราะห์นำมาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วสมควรแก่ใครจะต้องรักษาสินนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคน ถ้าโลกทั้งโลกในยุคใดสมัยใดต้องการความสงบพร่มเย็นเป็นสุขแล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาศิล์ศิล์มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลกยุคใดสมัยใดขาดศิลธรรมมากๆโลกยุคนั้นสมัยนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายถ้าโลกยุคใดสมัยใดบุยพาศิลธรรมแล้วโลกในยุคนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย รู้แล้วว่าศีลมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อเ น, นี้อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีล น, นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนที่จะฟังเทศถ้าผู้ใดจะถ่ายรูปหลวงพ่อก็อย่าให้มีแฟดนะแล้วก็ใครมีโทรศัพท์มือถือ ก็ปิดไว้ก่อนขณะที่หลวงพ่อเทศเพราะว่าไม่ให้มีเสียงดัง ถ, ถ้าว่าใครมีโทรศัพท์ถ้าเสียงดังขึ้นมาก็ออกไปคุยกันข้างนอกนะอย่ามาคุยแข่งหลวงพ่อเทศนะถ้าคุยแข่งหลวงพ่อเทศหลวงพ่อพูดไปได้นะคณะจตหาญาิโยมนะเพราะธรรมะของหลวงพ่อในที่จะพูดไปนี่ยเป็นธรรมะปา่าต้องการความสงบมีอะไรก็พูด ถ้าว่ามีเสียงลบควรขึ้นมาแล้วหลวงพ่อจะพูดไม่ได้อันนี้ขอบอกกล่าวให้คณะสัทยาธิติโยมทุกท่านที่นั่งฟังที่จะฟังธรรมเทศนาหรือฟังแนวความคิดของหลวงพ่อนะอหลวงพ่อจะขอแนะนำตนชะก่อนเพราะว่าวัดแหลมศักดิ์แห่งนี้ถ้าจะว่าไปก็คือพ่อของหลวงพ่อคือหลวงหลวงปู่ล่านะ หลวงปู่ล่าเขมมาปัตโตวัดผูเจาก่อบรรพศคีรีผูเจากอเคยมาปฏิบัติธรรมเคยมาเดินทุดงมาที่นี่ที่วัดแหลมศัก์แห่งนี้ตามประวัตินะเพราะหลวงปู่ล่าเคย เ, เป็นหลวงปู่ล่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นในยุคสุดท้ายจากนั้นหลวงปู่มั่นได้มรณาภาพลงก็ได้ไปชุมเพลิงหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ติดตามหลวงปู่เทศเทศรังสีวัด จังหวัดภูเก็ตท่านประจำพรรษาที่วัดหลังสารหลวงปู่ล่าก็ได้ลงมาอยู่ทางภูเก็ตพังงากระบี่จากนั้นท่านก็ได้เดินทุรงแถ บ, บ, บนี้ตามประวัติของท่านที่เขาเท่าบังเขาทอยบังที่ไหนๆหนลายแห่งแต่หลวงพ่อก็จำไม่ได้แต่หลวงท่านก็เคยพูดเล่าให้หลวงพ่อฟัง และก็ทราบว่าหลวงปู่เนตท่านก็บอกว่าหลวงปู่ล่าเคยมาอยู่ที่นี่ เ, เคยมาเดินทุกองมาพักอยู่ที่วัดแหลมศัก์แห่งนี้เป็นอันว่ า, าวัดนี้ก็เป็นวัดที่หลวงปู่ของหลวงพ่อเหมือนกันเพราะหลวงพ่อเป็นสมณรนของหลวงปู่ล่ า, าหลวงปู่ล่าไปอยู่ภูเจาก็อจังหวัดมุกดาหารหลวงพ่อเป็นสมณรนของท่านอ า, อายุ 1 11, ิบเปีที่บวชเป็นสมณีนปี 2,500 นะลกูกหลานบางคนก็คงจะยังไม่เกิดดิหลวงพ่อบวชเป็นสมณีนในเมื่อบวชเป็นสมณีนหลวงพ่อก็อยู่กับหลวงปู่ล่าเป็นเวลา8ปดปีเป็นสมณีนแปปีอยู่ที่ภูเจาะจากนั้นหลวงพ่อก็ได้บวชอุปสมบทเป็นพระก็อยู่กับหลวงปู่ล่าอีก1นึ่งปีเป็นพรรษาที่เก จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ออกจากหลวงปู่ไปอยู่กับหลวงปู่จามมหาปุญโยที่เป็นหลวงอาจากนั้นก็อยู่จําพรรษากระทันจากนั้นท่านก็พาขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ไปจำพรรษาอยู่วัดหลวงปู่แหวนสุจินโนอําเภอพร้าวจากนั้นก็ได้กลับลงมาจําพรรษาอยู่ที่วัดป่าห้วยทรายกับหลวงปู่จามอีก เ, อเป็นพรรษาที่สจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ออกจากถิ่น มุกดาหารขึ้นไปอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวปี 2,512 เนี่ยเป็นเวลา13ปีจนถึง 2,525 25. จากนั้นก็ได้มาอยู่ไปอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยอันนี้แหละคือประวัติชีวิตของหลวงพ่อถ้าจะว่าไปแล้วชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยเป็นฝังไว้ในพระพุทธศาสนาแต่อายุ 11-12 ปีจนถึงบัดนี้แหละ แต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระน้อยพาหนุมนะเป็นพระที่อายุมากพอสมควรอายุ65ปีและคณะสัทายาญาติโยมลูกหลานพันษาก็45นับบวกพันษาเนนเ็าอีกก็เป็น50กว่าปีบ ว, บวก8เข้าไปอีกนะนี่แหละชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อได้ฝากฝังไปในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นคณะสัทยาญาติโยมวันนี้ฟังดูซิว่าหลวงพ่ออินเนี่ย อที่บวชมาในพระพุทธศาสนาเนี่ยยาวนานขนาดนี้มีความคิดเห็นอย่างไรนะมีความคิดเห็นอย่างไรอให้คณะสัตยาติโยมได้ฟังนะแล้วก่อนที่จะพูดก่อนที่จะสแสดงธรรมเทศนาหลวงพ่อเองก็ได้มาในงานคราวนี้กับคณะสัตยาติโยมนนี่มวก็คือว่ามาในนามของหลวงปู่เนธนะ้องปู่เนธของพวกเรา ที่รขราวก่อนหลวงพ่อก็เคยมานะการสัยทายญาติโยมค ง, งจะจำไม่ได้เพราะพระมากหลวงพ่อเองก็นั่งอยู่เกือบจะว่าปลายแถวข่าวนั้นเมื่อสองสามปีให้หลังมีหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ อ, อะไรเมืองอุบลมีครูบาอาจารย์มาเยอะขราวนั้นหลวงพ่อก็มาองหนึ่งที่มาฉลองศาลาหลังนี้มั่งขราวนั้นนะแต่คราวนี้ก็ทราบว่าหลวงปู่ของเรา มีอายุครบ85ปีแล้วก็พร้อมกันท่านก็จะได้ทำบุญปิดทองลูกลูกนิมิตจากนั้นท่องท่านก็จะได้เปิดตัวเรื่องไปจะสร้าง D, เจดีย์เอก อ, อ, อ, อ, อ, อันนี้คือสองสมประเด็นที่หลวงพ่อได้ทราบมาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้ไปกราบหลวงปู่เหมือนกันที่ที่เขาม่งที่ทํำม่ง บัดนี้ได้กราบหลวงปู่เนธก่อนที่จะมาที่นี่หลวงพ่อเองก็ได้สนทนาปาลาบกับท่านท่านก็พูดอะไรให้ฟังแต่ท่านก็แข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสท่านก็บอกเอ อ, เ อ, อผมอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมีเสื่องขยายเสียงนะเวลาผมาได้ยินเสื่องขยายเสียงแล้มันแน่นอกท่านว่านะออมันแน่นคล้า ย, า ย, ายว่ามันเป็นตะคิวขึ้นมาเพราะนั้นผมได้ยินเสียงดังไม่ได้ผมจึงได้หลบมาที่นี่นี่แหละอันนี้ก็คือ หลวงปู่ของเราที่ท่านได้ไปอยู่ที่นั่นก็เป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพกราบไหว้สักการบูชาองค์หนึ่งนะที่มีอายุพรรษามากนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะอ่านประวัติแต่พวกเราลูกหลานทั้งหลายก็คงจะรู้แล้วละ่ะประวัติของหลวงปู่เป็นยังไงแต่คนต่างถิ่นมาคงจะมีที่นี่นะ เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อมาในงานของท่านหลวงพ่อก็จะต้องอ่านกล่าวประวัติของท่านให้แก่ลูกหลานที่มาจากถิ่นไกล เพื่อเป็นการศึกษาเพื่อที่ให้รับรู้ว่าหลวงปู่ของเราเนี่เกิดที่ไหนอย่างไรนะพอเรามาวันนี้ก็มาในนามวันเกิดของท่านส่วนหนึ่งนะประวัติของหลวงปู่เนรจิระปุญโยนามฉายาของท่านพระของท่านจิระปุญโยหลวงปู่นามเดิมท่านชื่อเนรพรมแก้วเกิดวันอังคาร วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2468บิดาของท่านชื่อเขื่อนมารดาของท่านชื่อหญินพรหมแก้วท่านเกิดบ้านมูเจ็ดบ้านบางหมักตกระโสมอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาหลวงปู่มีพี่น้อง4คนชาย2หญิง2ท่านเป็นบุตรคนหัวปีเป็นบุตรคนโต เออเป็นเป็นคนแรกของพ่อแม่หลวงปู่ได้เคยแต่งงานมีลูกสองคนก่อนนะก่อนที่จะออกบวชหลวงปู่ได้ออกบวชเมื่ออายุได้27เปีอายุ27 27ปีหลวงปู่บวชนะที่สีมาน้ำที่ที่สีมาน้าในคลองกระโสมวัดสันติวนารามตำบลกระโสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา โดยมีพระรัตนทัตสมุนีวงเล็บแบนคันธาพระระโนโปทอสีเป็นพระอุปชายยะพระพัทธรรมณีเป็นพระกรรมวาจ า, จารย์มีพระรานิโรตรังสีคำภีรปัญญาวิสิตหลวงปู่เทศเทศังสีเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อลวงปู่บวชแล้วพรรษาที่หนึ่งถึงพรรษาสาม ได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่เทศจังหวัดภูเก็ตวัดหลังสารนะจากนั้นก็ได้ออกไปจำพรรษาณนะสถานที่ต่างๆหลวงปูพ่พรรษาสิบจึงได้มาจำพรรษาที่วัดแหลมศัก์แห่งนี้ตลอดมาตั้งแต่ปีพรรษาพรรษาสิบของท่านนะจำพรรษามาแล้วท่านก็มาอยู่ที่นี่ตลอดมาปีนี้ปี2553า หลวงปู่อายุได้แปดสิบห้าปีพันษาที่หลวงปู่ที่ได้บวชมาตั้งแต่อายุยี่สิบเจ็ดปีมาถึงปีนี้หลวงปู่ได้ห้าสิบแปดพันศาบวชมาได้ห้าสิบแปดพรรษานับว่าเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษามากองค์หนึ่งที่เป็นพระธุดงค์กรรมฐานถ้าจะว่าไปคือคือสายของหลวงปู่มั่นของพวกเรา ที่ทรงคุณวุฒิองค์หนึ่งในดินแดนภาคใต้ของพวกเร า, เ, าเมื่อหลวงปู่อายุ80ดสท่านก็ไดอ้อายุมากแล้วท่านก็ได้หาทาย า, าทนายาทคือท่านก็ได้ลาออกจากเจ้าอาวาสมอบให้พระที่การชูศักปัญญาสักโก เ, เป็นเจ้าอาวาสวัดแลมศักของพวกเรา เดี๋ยวนีนะ้นี่แหละคือประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ที่ท่านได้มาอยู่กับคณะสัท ธ, ธ า, าติโยมลู ก, กลานนับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญที่พวกเราได้ปฏิบัติพระเถระผู้เคร่งครัดในหลักธรรมวินัยมุ่งมั่นในศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา เพราะนั้นพวกเราถือว่าเป็นผู้มีบุญนะคณาสัตยาติโยมโลูกหลานนะและก็ขอให้พวกเราเ อ, อ, เ อ, อ, อยู่ในโอวาทของหลวงปู่เคารพนับถือหลวงปู่หาได้ยากนะเหมือนกับพวกเราอยู่ใกล้สิ่งที่มีคุณค่าก็ลืมตัวลืมตัวคล้ายๆกว่าเกิดความประมาทแต่เมื่อของนั้นจากไปเมื่อลูกปู่ไม่อยู่แล้วพวกเราจะเสียใจเมื่อภายหลัง พรวฉะนั้นพวกเราอย่าได้คิดอย่างนั้นเมื่อลุงปู่ยังอยู่พวกเราก็ให้เคารพนับถือเลื่อมใสแมาปฏิบัติธรรมกับองค์หลุงปู่ของพวกเราถือเสมือนว่าลุงปู่ของเราเป็นร่มโพร่มใสของลูกของหลานในถิ่นนี้นะแล้วต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเริ่มแสดงธรรมลณที่นี้นะ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 วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราคณะชาญาติโยมทุกหมู่เหล่าได้มาทำพิธีวันครบครอบของหลวงปู่เนตรของพวกเราแล้วก็พร้อมกันก็ได้มาปิดทองลูกนิมิตฉลองโบสถ์รล้ว่าหอดอดศิลป์แล้อดโบสถ์ ฝังลูกนิมิตไว้ในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นบุญกุศลของพวกเราและก็ปีอีกไม่นานหลงพ่อทราบว่าเดือนพฤษภาวันวิสาขาบูชาก็คงจะมีการวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างเจดีย์เป็นอนุสรณสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวัดแหลมศักดิ์แห่งนี้ขอแจ้งข่าวการกุศลที่มีอยู่ข้างหน้าให้แก่พวกเราท่านทัน้งหลายได้รับทราบร่วมกันแล้วก็ให้ประกาศเผยแผ่บอกกล่าวกันมาร่วมกันเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ของเราเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของลูกของหลาน ชั่วนานนานเท่านานที่เดียวแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สร้างอะไรเอาไว้ท้าวรวัตถุเอาไว้ เ, เมื่อลุงปู่ผ่านไปแล้วก็วัดวา ศ, าศาสนาก็คงจะหมดไปด้วย เ, เมื่อลุงปู่ท่าน เ, เป็นร่มโพ ร, ร่มใสของลูกของหลานท่านพาธรรมสิ่งไหนก็คงจะเป็นประโยชน์เมื่อสร้างเจดี JD ขึ้นมาแล้วก็เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหรันต ก็เป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลขอแจ้งข่าวการกุศลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานในถิ่นนี้ได้รับทราบนะและก็อย่างไงก็ตามนะพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาให้พวกเราได้ฟังทมคำสอนของพระพุทธเจ้า ครูบาจารย์หลายท่านคงจะมาประกาศหรือมาพูดแสดงธรรมตลอดถึงธรรมเทศนาหรือว่านังสือเอ็มพสาหรือแท็บอะไรก็ตามก็ขอให้พวกเราฟังศึกษาการศึกษาการฟังนี้มีประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเกินเบื้องต้นว่าการฟังธรรม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 จินธรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นไข้ควรดูก่อนแล้วก็จะเกิดปัญญาแล้วกัภาวนามรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบก่อนจากนั้นก็นามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาได้เพราะนั้นปัญญาภาวนามะปัญญานี่ เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาส่วนจินสุตธมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นปัญญาทั่วทวไปจินตามยปัญญาก็เหมือนกันเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วนำมาวิเคราะห์ไตรตรองเหตุและผลอันนั้นก็เป็นปัญญาทั่วทวไปส่วนภาวนายปัญญาเป็นปัญญาที่ทําจิตใจให้สงบซะก่อนจิตใจให้เป็นหนึ่งซะก่อน เมื่อจิตใจของเราเป็นหนึ่งแล้วนำจิตใจที่เป็นหนึ่งนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลในเรื่องนั้นๆก็จะเกิดปัญญาลึกซึ้งได้เพราะว่าเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำสั่งสอนสาวกของพระองค์อันนี้คือภาวนามายปัญญาเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อจะได้แนะนำตักเตือนหรือว่าบอกกล่าวคณะรัตยาติโยม พระธรรม 84,000 ี่พันพระธรร ม, มขันของพระพุเทธเจ้าสุดแท้แต่องค์ไหนครูบาอาจารย์องค์ใดจะหยิบขึ้นมาอธิบายในจุดไหนก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านจะเอามาอธิบายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังแต่หลวงพ่อเองเอก็จะได้นำแนวความคิดที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาหรือว่าได้เข้าใจ ได้ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมาประกาศและบอกกล่าวให้แก่คณะสัตยา ญ, ญาติโยมให้ได้ยินได้ฟังเหมือนกับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆแต่เป็นแนวความคิดของแต่ละองค์แต่ถึงยังไงก็ล้วนแล้วแต่นำทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังอย่างที่ว่าถ้าว่าไม่เข้าใจชัดองค์นั้นพูดเป็นอย่างนั้นองค์นี้พูดเออเข้าใจชัดขึ้น อย่างนี้เป็นต้นอันนี้หลวงพ่อก็จะได้นําเรื่องนั้นๆมาบอกกล่าวหลักของพทุทธศาสนาพระพทุทธเจ้าสําหรับคณะศรัทธาญาติโยมพระพทุทธองค์บอกว่าสอนว่าให้ทานรักษาศีลภาวนาทานศีลภาวนาอันนี้คือของคณะศรัทธาญาติโยมแต่สําหรับพระสงฆ์ท่านก็นเน้นเข้าไปอีกว่าศีล ส, สมาธิปัญญาใคล้ายๆว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้พระสงฆ์ทําทาน แต่ท่านให้สอนรักษาศีลแล้วก็นำทำสมาธิแล้วก็เดินปัญญาแต่คณะทาญาิโยมพระพุทธองค์สอนว่าทานศีลภาวนาทำไมพระพุทธองค์จึงได้แนะนำสั่งสอนพวกญาติโยมว่าให้ทานรักษาศีลพระพุทธองค์ท่านตรัสท่านบอกกล่าวเอาไว้ว่าพวกเราที่เป็นคณะทาญาิโยมมีครอบมีครัวมีพักมีพวกมีเพื่อนมีฝูง มีลูกมีสามีภรรยามีญาติโกโหติกาสิ่งแวดล้อมของเรามีมากเพราะฉนั้นพวกเราจึงได้พระพุทธองค์จึงได้สอนให้แก่พวกเราให้ทานให้ทานคํานี้มีมากมายหลายอย่างอย่างที่หลวงพ่อกําลังพูดอยู่ขณะนี้ก็ว่าให้ทําเป็นทานคือให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลาย จะว่าให้ทำเป็นทานแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นคนเขาไม่รู้จักวิชาอาชีพไม่รู้จักธรรมหาเลี้ยงชีพเราก็แนะนำสั่งสอนเขาเป็นวิทยาฐาน อ, อ, อย่างตัดเย็บผ้าอย่างนี้นะขับรถอย่างนี้นะซ่อมเครื่องยนต์อย่างนี้นะอย่างนี้เป็นตนอันนี้เราว่าวิทยาฐานถ้าว่าพวกเราได้ให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารปัจจัยสี่แก่ผู้ที่ยากจนกว่าเรา อันนี้แล้วว่าให้อมิสรทานแต่ถ้าผู้ใดมาล่วงเกินเราเราเสีย อ, อกเสียใจถ้าเราจะไปต่อว่าต่อขานหรือว่าทำร้ายเขาเออมันจะเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นอันนี้แล้วว่าให้อภัยทานเนี <Yeah. S 1> ่ยคำว่าทานคํานี้มีมากมายหลายอย่าง <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมารมกะพุทธบริษัทของพระพุทธองค์ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในทาน อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถ้าว่าผู้ใดไม่มีการเสียสละไม่มีการให้อภัยมีแต่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวแล้วไม่เห็นแก่ใครไปอยู่กับใครก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะเหตุไรเพราะไม่มีการเสียสละไม่มีทานะคือการเสียสละให้แก่คู่คนผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์บอกว่าให้ทานรักษาศีล ภาวนาถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีการเสียสละไม่มีการเฉลือเผื่อแผ่ให้แก่กันแล้วโลกทั้งโลกจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นถุกไม่ได้พูดอย่างกันได้คือพ่อแม่เกิดมาแล้วพ่อแมเออ่เลี้ยงลูกไม่มีการเสียสละให้ลูกไม่มีการเสียสละให้วงศ์สากณายาตไม่มีการเสียสละให้หมูหมากาไก่ สัตว์เหล่านั้นจะอยู่ได้อย่างไรอยู่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่มีน้ำใจเราไม่มีการเสียสละแต่ถ้าเรามีการเสียสล ะ, ะเถลือเผือแผ่ให้แก่มนุษย์ชาติต่อสรรพสัตว์ทางหลายสัตว์ทางหลายมนุษย์ทางหลายผู้คนทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็สงบพร่มเย็นเป็นสุขพึ่งพาอาศัยเราได้คนมีน้าใจคุณคนมีฐานะค น, ค น, คน มีจิตใจอบอ้อมอารีเหมือนกับต้นไม้ใหญ่มีใบมีดอกมีผลให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับคู่คนที่มาเกี่ยวข้องแต่ถ้าว่าผู้ใดไม่มีน้ําจิตน้ําใจไม่มีฐานะไม่มีการเสียสละให้แก่ใครเหมือนกับต้นไม้แห้ง อ, อ, อยู่กลางสนามอย่างนั้นน่ะอยู่กลางสนามไม้แห้งไม่รู้กิ่งไม้จะหล่นลงมาถูกหัวใครก็ไม่รู้ แล้วใครจะเข้าไปพึ่งพาอาศัยได้เพราะแดดออกมากับเปรี้ยงร้อนไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะพึ่งพาอาศัยเพราะนั้นคนที่มีน้ำใจกับคนที่ไม่มีน้ำใจให้เปรียบเทียบลักษณะอย่างนั้นะอันนี้คือทานศีลคือรักษากายวายจารให้เรียบร้อยศีลนี่ก็คือคุ้มครองอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวศีลห้าประการถ้าว่าพวกเรามาวิเคราะห์ดูแล้วศีลธรรมของพระพุทธเจ้า คนที่เข้าไปอยู่ในคุกในตารางนั้นอะ่ะเป็นยังไงเออคนที่เข้าไปอยู่ในคุกโดยมากถ้าเรามาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลแล้วคนคุกทั้งหลายเหล่านั้นคนที่ติดตารางทั้งหลายเหล่านั้นคนที่อยู่ในเรือนจําทั้งหลายเหล่านั้นโดยมากจะเป็นผู้ผิดศีลห้าเกือบทั้งนั้นเออโดยมากหลังแกคนอื่นเบียดเบียนคนอื่น ทุบตีคนอื่นคิดจะฆ่าคนอื่นอันนี้ก็คือผิดศีลข้อที่หนึ่งขโมยคนอื่นยักยอกคนอื่นอันนี้ก็คือผิดศีลข้อที่สองกาเมก็เหมือนกันมุสาก็เหมือนกันสุราก็เหมือนกันโดยมากจะผิดศีลทั้งห้าข้อนี้เป็นส่วนมากที่อยู่ในคุกในตลาดเพราะนั้นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเรารักษาศีลดีแล้วให้รู้จักคุณค่าของศีลแล้ว โลกทั้งโลกก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขขอให้พวกเราคิดดูให้ดีนะถ้าพวกเรารู้ว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ใครจะไม่รักษาก็ตามข้าพเจ้ารู้แล้วว่าศีลห้ามีประโยชน์มีคุณค่าเพราะนั้นข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าใครจะไม่รักษาก็ตามข้าพเจ้าจะคนหนึ่งจะเป็นผู้รักษาศีลเพราะข้าพเจ้ารู้จักคุณค่า ของศิลปที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินับหนึ่งจะฆ่าป้าเจ้านะนะต่างคนก็ตามนับหนึ่งเห็นคุณค่าของศิลปแล้วก็รักษาศิลป์โลกทั้งโลกก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขได้พราว่าทุกคนศิลป์เป็นหน้าที่ของคนเฒ่าคนแก่ศิลปเป็นหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเราโยนให้คนอื่นไปหมดนั่นแนหะโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนวุ่นวายในชุมชน ในกลุ่มของพวกเราแต่นี้นมาพูดถึงเรื่องสมาธิทีนี้ทานศีลภาวนาภาวนาคือเรื่องสมาธิการจะทำจิตใจใจิต ใ, ใ, ใจอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าว่าพวกเราไม่ไม่มีสมาธิใจของเราปรุงฟุ้งซ่านใจของเราไม่ได้อยู่ในสมาธิมีแต่คิดปรุงฟุ้งซ่านคนขาดสติคนกินเหล้าทีนี้คนขาดสติ หรือคนเป็นบ้าอย่างนี้คนขาดสติและจะเป็นคนดีย่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย เ, เรื่องสมาธิเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องรักจะต้องประพฤติปฏิบัตินะคือสมาธิเป็นถิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านให้ความสําคัญในในเรื่องนี้อย่างมากเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นกษัตริย์นะ ท่านเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านครองราชอยู่ถึงยี่สิบเก้าปีเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีครบหมดทุกอย่างครบกว่าพวกเราอีกพวกเรายังไม่ครบเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีทุกอย่างความมั่งคัง่งสมบูรณ์ของพระพุทธองค์แต่พระพรองค์ทําไมจึงหนีไปบวชพระองค์บอกว่าพระพุองค์เห็นความแก่เห็นความเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะ เห็นสี่อย่างเห็นคนแก่เดินไปไปเห็นคนแก่นั่งรถไปเห็นคนแก่โอ้อันนี้เป็นยังไงผมหงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวหลังค่อมถือไม้เท้าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้จะหาความสุขได้อย่างไรต่อไปก็ไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยอีกแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนแล้วก็ความตายอีกแล้วก็เห็นสมณะนั่งอยู่โครนต้นไม้เออถ้าหากว่า เราได้บวชอย่างสมณะท่านนี้เนี่ยเราคงจะมีช่องทางที่จะหาวิธีการคิดค้นหาหนทางที่จะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคงจะมีหนทางนี่พระพทองค์ท่านได้เห็นสมณะท่านก็ได้มีแนวความคิดอย่างนั้นจากนั้นพระองค์จึงได้เสด็จออกไปบวชหนีไปกลางคืนไปอยู่ในป่าดงพงภยัยถึงหปีนะนี่แหละ ไปอยู่ในป่าปรงคงไปตั้งหกปีไปจากนั้นก็อนลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดในการประพฤติปฏิบัติของพระ อ, องค์จนวันสุดท้ายคือวันเดือน6กเพนพระพุทธองค์ไปอยู่ที่6ปีวันเดือนหเพนเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้สําเร็จสมความมุ่งม า, า, า่นปราถนาคือสูตรสําเร็จในวันเดือนหกเพนเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะศึกษาว่าพระพุทธองค์สําเร็จสูตรสําเร็จในวันนั้นพระพุทธองค์ทําอย่างไร พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าท่านบอกกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าวันเดือนหกเพนนนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงพระองค์นั่งอยู่ที่โคลนต้นโพตะโพตามลำพังนายโสธิยะได้นำยากาแปดกำมือผ่านมาแล้วก็ได้นำถวายท่านพระพุทธองค์ได้นำยากาของนายโสธิยะนั้นมาเกลี่ยลงที่โคลนต้นโพ เมื่อเคลียเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุองค์ก็ขึ้นไปนั่งอาสนะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทํากายให้ตรงนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้ น, นอันนี้แหละคือฟังเอาไว้นะอันนแหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกผู้ใดก็ตามศครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามแนะนําสั่งสอนพวกเราก็ฟังเอาไว้เพราะเหตุไรเพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นมันมีหลายหลายทางเหมือนกับคนทํามาค้าขายนะคนกรีดยางเขาก็ได้เงินคนขายนะ้ํามันเขาก็ได้เงิน คนเดินเรือเขาก็ได้เงินคนขายของชาเขาก็ได้เงินมันมีหลายทางได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ในวันนั้นน่ยบรมครูของพวกเราเนี่ยท่านได้อย่างไรในการประพฤติปฏิบัติของท่านอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องฝังแนวแถวของพุทธะคือบรมครูของพวกเราพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่า ท่านนั่งอยู่ที่โคนต้นโผขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเขาเ้ารัวหายใจเขาาจออ้าหายใจออกรัวหายใจออกหายใจออกสั้นยาวก็มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นปฐมยามคือยามแรกตอนหัวค่าจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตรวมเป็นหนึ่ง เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วพระองค์เกิดยานทัทสนะเกิดฌานในขณะที่จิตรวมลงเป็นหนึ่งเพราะว่าฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าหาว่าจิตไม่สงบจะไม่เกิดฌานอดีจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบจึงเกิดยานทัทสนะเกิดฌานพอเกิดฌานขึ้นมาพระองค์ก็น้อมจิตลำลึกอดีตชาติของพระองค์ชาติที่แล้วเป็นยังไง และลึกชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพในวาสานุสติยานและลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้นึกไว้เลยว่าตายแล้วไม่สูนตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุใดพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนนั้นต้องนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อไหร่ พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่ศู์เพราะเหตุไรเพราะว่าจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วจิตกับร่างกายเนี่ยมันอาศัยกันอยู่จิตนั้นจะโดดเด่นเพราะว่าจิตของเราเข้าสู่ความสงบออจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตโดดเด่นแยกออกจากร่างกายเห็นได้ชัดร่างกายของเรานั่งอยู่ไม่ได้ยินเสียง ไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนแต่ใจของเรากับจิตสติกับจิตของเรานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะรู้ได้ด้วยตัวตัวของเราเองเพราะนั้นหลักพิสูจน์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้รวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใคร นี่แหละหลักของพิสูจน์ของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ให้ฟังเอาไว้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตัณฑ์ตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดอีกพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็กําหนดดูพระไถยหรือใจของพระองค์ให้ละเอียดเข้าไปอีกพระองค์ได้ญาณทัศนะเกิดขึ้นมาว่าจุตูปะ ป, ะปะตาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลาย คนคนนี้มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนเพราะพระองค์ก็รู้ได้ด้วยด้วยพระองค์เองเพราะเหตุไรท่านก็ว่ามาจากที่นี่มาด้วยวิธีอะไรถ้าว่าผู้ใดทํากรรมชั่วทํากรรมที่ไม่ดีเอ่อทำบาปอากุศลมากถ้ามาเกิดที่นี่ก็มาเกิดแบบพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิต ทำไมมนุษย์เกิดมาแล้วไม่เหมือนกันเพราะเหตุใดกลัมพามาเกิดพระพุทธองค์ว่ากรรมคือการกระทำในอดีตแต่ชาติพามาเกิดแต่ถ้าว่าพวกเราทำกลรมไม่ดีในชาตินี้อีกถ้าพวกเราตายไปแล้วไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ิี่ฉานตกนรกเป็นเปรตไปอีกเพราะนั้นพระองค์จึงรู้ไรว่าจุปะปะปะตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนกัน แปลกแตกต่างการเพราะกลัมเป็นผู้พานําไปสู่ภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าทํากลัมที่ไม่ดีให้ทํากลัมดีเอาไว้ในเมื่อเราได้ฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่ากรรมโมนีนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกลัมที่ตนได้กระทําไว้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้อีกว่าอากาักตังลุกตงังเสยโย ชาตปติลุกตตังกรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญหรือให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราอย่าคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือตอนเที่ยงคืนพอจวนจะสว่างในวันเดือนหกเพ็นนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทำจิตของพระ อ, องค์ให้ละเอียดถีท่วนเข้าไป ว่าวิญญาณนี่มาจากไหนใจดรงนี่มาจากไหนจึงมาเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สุดอย่างนี้พระพุทองค์ก็ได้พิจารณาด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาของพระองค์ไตรตรองด้วยปัญญาของพระองค์อย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดพระองค์ก็บอกว่าทบทวนดูกันครองดูพิจารณาดูว่าใจนี่มาจากไหนพระพองค์ตามตามตา ม, ตามลงไป ไปถึงตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังอันนี้คือปฏิจจสมุปบาทตามลงไปไปถึงแต่ตัวอวิชชาไม่เกินกว่านั้นสรุปแล้วก็คือใจตรงนี้เกิดมาจากความโง่ความโง่คือความไม่รู้จึงเกิดขึ้นมาจากนั้นก็เป็นสายยาวเหยียดจนถึงโสกะปริเทวตุกโทมนสัสสุการร้องไห้พิไรรำพัน ของจิตวิญญาณนี้มาจากตัวไม่รู้คือตัวโง่เพราะพระพุทธองค์รู้ว่าใจดวงนี้มาจากตัววิชาพระธองค์จึงได้ใช้สติปัญญาของพระองค์คือศินสมาธิปัญญาคือมักแปะสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นสมาสมาธิเป็นสุดท้ายกันกรองด้วยเหตุผลในวันเดือนหกเพต น, น้นจนจิตของพระองค์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส กันกรองด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาแล้วพระ อ, องค์รู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์จึงว่าบอกตัดได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทำให้เกิดนั้นเราได้กาจัดออกไปแล้ว อ, อย่างที่หลวงปู่เนรที่ท่านพูดในหนังสือของท่านท่านบอกว่ากาจัดเชื้อมันออกอย่างเมล็ดข้าวก็ดีเมล็ดข่านกดีมันมีเชื้ออยู่ในนั้น เชื้อของมันคือมีตามีเชื้อของมันที่จะทําให้เกิดแล้วได้เอาไปต้มสัไปหุงสะไปทําให้มันสุกสักไปเผาไฟให้มันสุกสะแล้วกระเทาะเปลือกมันออกสะอย่างข้าวอย่นี้เอาไปเนื้ออีกต่างหากแล้วข้าวไปนั้นจะไปปลูกเกิดไหมไม่เกิดเพราะเหตุใดจึงไม่เกิดเพราะว่าเชื้อของมันไม่มีนี่ใจของพระ อ, องค์ก็เช่นเดียวกันพระ อ, องค์กําจัดเชื้อ คือกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระองค์พระองค์กำจัดออกแล้วใจของพระองค์จึงหมดเชื้อที่จะทำให้เกิดนั้นไม่มีเพราะด้านท่านจึงว่าประกาศในวันเดือนหกเพนว่านิพพานังประมังศูญยอย่างนิพพานศูนศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทำให้เกิดนั้นศูนย์แล้วเรากาจัดออกแล้วนิพพานังประมังสุขขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะว่าใจของพระ อ, องค์ไม่มีเชื้อที่จะสิ่งไหนที่จะมาลบกวนกิเลสตัวไหนจะไม่มาลบกวนพระไทยของพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์กําจัดออกแล้วนี่แหละคือพระ อ, องค์ได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนนนันออนี่ว่านิพพานาังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีกิเลสราคะตุกโธสะโมหะตัวไหนจะมาลบกวนพระไทยของพระ อ, องค์ได้พระ อ, องค์จึงบริสุทธ ด้วยศีลสมาธิปัญญาออกไปแนวแนวหนึ่งเหมือนกันเถิจิตใจของพระองค์ออกไปฉีกแหวกแนวไปออกส่วนหนึ่งคือไม่กิเลสราคะโทสะโมหะไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองหรือควบคุมพระทัยของพระ อ, องค์ได้ใจของพระ อ, องค์เป็นอิสระเป็นอมตะธาตุเป็นอ ม, ะ ต, ะนอมะตะธรรมฮะ เ, เป็นธรรมอันบริ ส, สุทธิ์เหนือจากกิเลส ท, ที่จะเข้าไป คควบคุมดูแลในจุดนั้นได้ใจพระพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ไปค้นคว้าไปศึกษาในวันเดือนหเพนนนั้นสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราพุทธบริษัทสี่จะต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นต้นว่าปุเพเนวาสานุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้แต่โดยมากคนยุคนี้สมัยนี้คนตายแล้วไม่เห็นม า, มาบอก ตายแล้วศูนย์ไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าตายแล้วศูนย์แน่นอนเพราะว่าตายแล้วไม่มาบอกจะมาบอกได้ยังไงพอออกจากร่างแล้วเขาก็าไปสู่ภพภูมิของเขาเขาจะมามาบอกเราได้อย่างไรขณะเราอยู่ด้วยกันเราส่งวิญญาณหากันเูกส่งใจหากันเรายังรับไม่ได้เพราะเหตุไรคลื่นวิทยุของเรานี้มากมายทุกวันนี้ไม่รู้คลื่นไหนต่คลื่นไหน แต่พวกเรารับไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเราไม่มีเครื่องรับที่ดีไม่มีญาณทัศนะไม่มีฌานที่จะรับดวงวิญญาณหรือว่ารับคลื่นนั้นได้เพราะฉนั้นเรื่องคลื่นของจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะมีคลื่นอะไรพิเศษมาบอกกล่าวเรางคงจะไม่มีอีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติ ด, ดูถ้าพวกเราปฏิบัติ ด, ดูแล้ว ทำสมาธิดีแล้วนั่นแหละเราจะรู้รายด้วยตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเนี่เหมือนกับคนขับรถคนรถรถกับคนขับรถเนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเราจะเห็นได้ชัดในขณะที่เราทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจรวมลงสงบอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายที่พูดให้ฟัง อาตมาได้พูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นบอกกล่าวให้แก่คณะชาตญาติโยมได้ฟังว่าหลักของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นตายแล้วไม่สูญนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมผอผ่านเมื่อภายหลังเมื่อเราทากำกรรมชั่วในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ในชาตินี้พวกเราก็ รู้เห็นแก็แล้วกันบางทีถ้าเขาจับไม่ได้ก็แล้วไปถ้าเขารู้แล้วก็วิ่งหัวซุกหัวซูลอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ากรรมชั่วให้ผลจากนั้นเขาก็จับเขา้าคุกเข้าตรางเอาไปขังเอาไว้นี่แหละกรรมชั่วในปัจจุบันและกรรมชั่วในอดีตในอนาคตนั้นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจ ให้ภาวนาวันนี้หลวงพ่อจะแนะนำวิธีการทำสมาธิสามสี่วิธีนะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเรื่องศีลหลวงพ่อก็ได้แนะนำไปแล้วแต่เรื่องทานเนี่ยพวกเราชำนิชำนานอยู่แล้วหลวงพ่อไปในสถานที่ใดเรื่องทานของพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่น อ, อบอุ่น อไปนสถานที่ใดอบอุ่นถึงจะไปต่างประเทศก็เถอะนะอย่างหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเมื่อกี้เนี่ยไปเห็นชาวพี่น้องอินโดนีเซียเขาทําบุญลูกพ่อโอ้โหเออพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนแนะนําให้สอนให้พวกเราทําบุญทําทานที่เป็นชาวพุทธนี่ยเออเขามีจิตใจอน้ําจิตน้ําใจขนาดนี้เชี่ยวเหลอะนะแล้วเมื่อเช้าเนี่เหมือนกันหลวงพ่อมาที่พี่น้องภูเก็ต ก็เห็นการทําบุญทําทานพี่น้องของพวกเราก็มากมายอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องการทานเนี่หลวงพ่อยกให้แก่ชาวพุทธของพวกเราแต่พอรักษาศีลแล้วพวกเราไม่ค่อยจะสู้กันเท่าไหรอ่อยากจะถอยเพราะไม่รู้จักคุณค่าของศีล น, นะแต่พวกเรารู้คุณค่าของศีลแล้วศีลข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าผู้ใดรักษาดีแล้วชีวิตของเขาจะยืนยาว จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าคนอื่นเขาเ อ, อแล้วก็ชีวิตของเราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะอันนี้สงศินข้อที่หนึ่งคุ้มครองทรัพย์สมบัติของเราเอาไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่เสียหายเพราะสินข้อที่สองคุ้มครองสามีภรรยาลูกหลานของใครของเราเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเพราะเหตุไรเพราะว่าเราเป็นผู้มีศินไปณักสถานที่ใด ก็ไม่มีคนต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเราถึงคนจะต้มตุนโกหกเราเราก็ไม่เชื่อเขาเพราะเราไม่เคยโกหกเขาอันนี้คือสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าเรามีพบมีชาติเกิดมาชาตินี้ก็เถอะนะเรากินเหล้าแล้วกัคนขาดจติติและเป็นยังไงพระพุทธองค์บอกว่าเกิดภพหน้าชาติหน้าเป็นคนมีปัญญาอ่อนไอ้อันนี้สงของคนกินเหล้าคนดื่มสุราเกิดภพหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้ ปัญญาอ่อนไม่มีสติปัญญาเรียนอะไรก็ไม่จดไม่จําเพราะพิษของสุรายัางคุ้มครองอยู่อันนี้แหละคือสิน ค, คุ้มคุ้มครองในอนาคตเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารักษาศินนะแต่ว่าสมาธิทีนี้จะทํำยังไงพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกนะอันนี้คือพุทธะ แต่พวกเราท่านทั้งหลายจะปฏิบัติอย่างไรแต่หลักของพุทธศ า, าสนา พ, พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานั่นคือ อ, อรุษสติอรุษสติ10กรรมฐาน40ก ร, รมมฐาน40มากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนจุดไหน เ, เวลาคนเป็นหวัดจะเอายา40ขนานมารักษาก็คงจะไม่ถูกต้อง เราก็ควรจะเอายาขนาดใดขนาดหนึ่งที่ว่ามั่นแน่นหรือมั่นคงหรือว่าถูกจดว่างั้นเถอะเอเพราะนั้นหลวงพ่อจะแนะนําให้พวกเราท่านทั้งหลายสัตยาธาาิษยโยมทุกคนทดลองดูนะอันนี้คือเป็นแนวความคิดของหลวงพ่ออย่างที่ว่านั่นนะครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านก็นจะคงจะแนะนําอย่างอื่นแต่หลวงพ่อนี่ก็แนะนําส่วนหนึ่งสําหรับให้คณะสัทธาธิษยโยมเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งพวกเราจะได้ นำมาประพฤติปฏิบัตินะการฝึกสติคนที่ขาดสตินั้นเป็นยังไงคนขาดสติมากๆก็คื อ, เ, อเหมือนกับคนกินเหล้าอย่างที่ว่านั่นคนขาดสติไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักดีไม่รู้จกักชั่วไม่รู้จกัจ ก, เจกเรื่องอะไรไม่ควรพูดไม่ควรพูดก็พูดหมดเหมือนนอันนี้คือคนขาดสติแล้วคนที่สองคื อ, ค, อคนที่เป็นบาคน เ, เป็นโรคประสาทอย่างนี้ ก็ไม่รู้จากเองเหมือนกันเพราะขาดสติแต่เราจะฝึกยังไงฝึกสติเถิดถ้าคนมีสติสัมปชัญญะแล้วสติสมบูรณ์แล้วคนนั้นจะเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดคือมหาสติมหาปัญญาในหลักของพุทธศาสนาแล้วจะฝึกยังไงฝึกสตินะพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนท่านบอกว่าให้ภาวนาภาวนากําหนดลมหายใจนั่งสมาธินะ หรือจะไม่นั่งสมาธิก็ได้เรานั่งในรถในราเราจะอยู่ทสถานที่ใดก็ตามนะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่มันทีว่งว่างในที่สงบไม่พุกพ่านวุ่นวายไม่ได้ไม่มีเสียงรบกวนเรานั่งตะพับเพียรก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้เรากําหนดลมหายใจเข้าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้ากําหนดลมหายใจเข้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านกําหนดนั้น มันอาจจะมีช่องทางเล็ดลอดออกไปได้เพราะฉะนั้นให้กําหนดบริกรรมเวลาหายใจเข้า บ, บริกรรมว่าพดุดเวลาหายใจออกบริกรรมว่าโทพดุดโทพดโทพดโทคือไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องและไม่ต้องตามลมออกไปเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าลมผ่านที่จมูกของเราปลายจมูกของพวกเราให้เหมือนกับพวกเราไปยืนอยู่ข้างประตู เวลาคนผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าคนผ่านเข้ามาเวลาคนผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปไม่ต้องตามคนออกไปและไม่ต้องตามคนเข้ามาเพียงแต่ให้รู้ว่าคนผ่านเข้ามาแล้วก็คนผ่านออกไปเราเยืนอยู่ข้างประตูนี้ก็เหมือนกันให้บริกรรมว่าหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทธโทอแล้วก็จะ ญาติโยมลูกหลานคงจะถามว่านั่งนานเท่าไหร่หลวงพ่อนะนั่งนานเท่าที่จะนานได้เรานั่งอย่างอื่นดูหนังฟังลำเรานั่งหลายชั่วโมงเรายังนั่งได้พอนั่งภาวนาเพียงหน่อยเดียวก็บอกว่าปวดแข้งปวดขาแต่นั่งอย่างอื่นปวดแข้งปวดขาเรายังทนได้แต่พอนั่งภาวนาทําไมเราจึงไม่อดทนนะเราก็ต้องอดทนเหมือนกัน เอพราะว่านัง่งภาวนาแล้วไม่เจ็บไม่ปว ด, ดยอย่างนั้นใช่ไหมพระพุาาทธเจ้าเขาไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นครูบาอาจารย์เท่านเขาไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นนั่งภาวนาก่อนเหมือนนั่งอย่างอื่นก็เจ็บปวดแต่ก็ต้องอดทนขณะที่นั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกนนั่งทามันเหลืออดเหลือทนจริงๆเนี่ยค่อยออกนะแต่ไม่ใช่ว่าพอนังอ่งภาวนาปวดขาหน่อยนึงก็ออกแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ เ, เราต้องอดทนหายใจเข้าพุทธหายใจออกพุทธพุทธพุทธพทธในช่วงที่ ผู้คนเงียบสงบว่างๆอั น, นี้คือเป็นการฝึกสติฝึกสมาธิเข้าสู่จิตใจคนที่มีสมาธิดีไปในสถานที่ใดจะคิดเรื่องอะไรจะไปชุมชนใดก็เป็นที่ยอมรับเพราะบุคคนนั้นเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ในะที่นี้การฝึกครั้งที่สองถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้ายังมีช่องว่างอยู่มันยังเล็ดลอดออกไปได้อยู่ เราให้กำหนดเวลาหายใจ เ, เข้าออกบริกรรมอย่างนั้นแต่ทีนี้เราไม่เอาเราเอาบริกรรมอย่างใหม่จิตของเราใจของเราเนี่ยมันนึกคิดมันปุงออกไปไม่รู้เรื่องอะไรต่อมิอะไรแต่ละวีแต่ละวันแต่บัดนี้เราจะไม่ให้มันออกให้มันอยู่กับกรร ม, มาฐานเราเอากรร ม, มาฐานพุทโธพุทโธเนี่ยสำทับโพดอยู่ที่ใจของเรา ไม่ให้ใจของเรานึกคิดเรื่องอย่างอื่นนี่บริการพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจแต่อย่าไปเกรงอย่าไปกลึงนะเออการภาวนาเนี่ยอย่าไปเพ่งมากจนเกินไปถ้าแม่งเพ่งมากจะปวดศีรษะเอออันนี้ขอบอกกล่าวเอาไว้คือทําใจให้สบายกจให้มีสติสัมปชัญญะเอ่อทำให้รู้เอออยู่ในอริบ ท, ที่สบายอย่าไปเพ่งมันมากถ้าไปเพ่งมันมากแล้วจะปวดศีรษะ แล้วเหมือนจะมวนท้องลักษณะอย่างนั้นแ่ะเพราะฉะนั้นขอพวกเราอย่าอย่าไปเพ่งอย่าไปเกรงมันมากเกินไปเพียงแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะอันที่สามนะอันที่สามนี่ให้พวกเราเวลานั่งสมาธิมันยังออกไปได้อยู่ให้เราดูเอ๊ะทำไมใจของเรามันออกช่วงไหนมันเบอร์มันมันเผลอออกไปอย่างไรขณะที่มันออก เวลาเรานั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วให้พวกเรานับนะหายใจเข้าหนึ่งหายใจออก2หายใจเข้าหายให้ใจออก4หายใจเข้าหายห้ใจออกจนถึงร0 0พอถึงร้อยกลับมาอีกหายใจเข้า1หายใจออก2นับไปถึงร0อยกลับมาหนึ่งกถ้าไม่เผลอเขาว่าร้อยหนึ่งเนี่ยใจของเราเป็นใจของเราอยู่กับตัวเองนะหนนาทีนะหนนาทีแล้วนะ แต่ถ้าว่ามั น, มนเผลอไปมันจะเผล อ, อยังไงขณะที่มันเผลอนะเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันจะเบอะเบอะเอ่อหายบอเบอมันจะมันจะหลงไปแหละสิมันลืมไปล่ะหายใจเข้าห้าสิบสองหายใจออกห้าสิบสามคือกําหนดลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าเป็นเลขขี้นะหนึ่งนะหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี่สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ นี่แหละคือถ้าว่ามันจะเบอร์นะมันจะหายใจเข้าเป็นห้าสิบหายใจออกเป็น53ฮะอย่างเนี้ยเรือว่าหายใจเข้าเป็นหกสิบสหายใจออกเป็น65อย่างนี้แสดงว่าเราสติของเราเบอร์แล้วช่วงนั้นใช่ไม่ได้ต้องกลับมาใหม่ต้องตั้งกรรมาฐานใหม่อีกนี่แหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าสติของเราเนี่ยดีขนาดไหน เราจะรู้ได้มันเผลออย่างไรเราจะจะรู้ทันมันนี่แหละวิธีการอันที่สก็คือพวกเราเดินจงกรมนะนการเดินจงกรมเนี่ยในแถวแนวของหลวงปู่มั่นท่านพาเดินจงกรมสมัยหลวงพ่อเป็นเนรของหลวงปู่ล่าท่านหลวงปู่ท่านสอนนะท่านว่าหลวงปู่มั่นสอนในวิธีการเดินจงกรมแล้วเราไปอยู่ในสุดทางข้างใดข้างหนึ่งของทางเดินจงกรมทางเดินจงกรมนั้น จะยาวประมาณชัก 20-25 ถึงเมตรถึง30มเมตรแต่ประมาณ2 0สถึงมเมตรถ้าสั้นกว่านั้นเวียนศีรษะถ้ามากยาวกว่านั้นมันยาวเกินไปทำให้แมลงพวกสัตว์อะไรมันผ่านได้เพราะนั้นประมาณนี้พอดีพอดีหลวงปูป่ท่านบอกนะแล้วเราไปยืนหยุดสุดทางข้างใดข้างหนึ่งเราประนมมือขึ้นแล้วอ่างอก เ, ออเราไหว้ครูซะก่อนไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อน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 คือให้ทุกวิญญาณให้มีความสุขเหมือน เ, เราต้องการนี่แหละอันนี้คือเดินรอบสองสามรอบแรกจากนันก้นเราก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถวัลยกรรมอะไรสิพุทโถพุทโถพุทโถไปเรื่อยอะไรสอแต่ไม่ต้องกลึ ง, ต, ง, ลงต้องกลึงต้องแกรงอะไรกันแต่พุทโถพุทโถไปเรื่อยแต่บางคนก็บอกว่ามันมีช่องที่จะทําให้มันหลงมันหลุดไปได้อยู่หลวงพ่อแนะนาําว่าให้กําหนด ตัวเองเป็นโครงกระดูกดูสิเออเหมือนเราไปเห็นโครงกระดูกที่ไหนเวลาเราเดินให้เหมือนโครงกระดูกเดินเออขากระดูกไม่ไ ม, ไม่มันมีเนื้อมีหนังว่ามีเป็นแต่โครงกระดูกขาขวาพุทขาซ้ายโถเอพุโทโถพุโทโถพุโทโถพุโทพโถอันนี้เอหลวงปู่กุบาอาจารย์แนะนําท่านบอกว่าเป็นขณะที่เดินนั้นอย่าเอามือคว่ำหลังถ้าเอามือคว่ำหลังน่นเหมือนกับเดินเหมือนทานักเลงท่านว่าไงะเออหลวงปู่มั่นท่านบอก ตริษีของท่านถ้าเอามือกอดอกเนี่ยเหมือนกับคนมีทุกข์ในจิตใจใอย่าเอามือกอดอกอย่ากไกวแขนไกวแขนคล้ายๆกับว่าขาดความเคารพให้มือเอาประสานไว้ข้างหน้าเหมือนกับพระลำพึงอย่างนั้นน่ะเอามือประสานไว้ที่ท้องแล้วก็เดินสํารวมอพอประมาณอย่าไปมองนู่นมองนี้โลกเลศโรกเลกเดินสํารวมไปข้างหน้า ขวาพุทธซ้ายโทพุทโทพุทโธอันนี้แหละวิธีการเดินจงกลมเราไปเดินนะัดสถานที่ใดเราไม่ต้องเขอะเคอะเคินเขิรนไม่ต้องอายใครทั้งนั้นเอออันนี้คือเดินแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนจากนั้นเวลาจะออกจากทางเดินยงกลมเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนพุทโธธโมสังโขสามจบจากนั้นก็แผ่เอ๋เมตตาอุทิศส่วนกุศลเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญในวันนี้ขอให้ บุญกุศลนี้ถึงคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาขณายาตยานมิสหายถ้าผู้ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีผู้ใดมีความสุขก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปด้วยเทินอันนี้ยังค่อยออกจากสมาธิใ น, ในการเดินแต่บางคนก็ถามอีกเหมือนกันว่าเอา้าทำไมจึงเอาพระพุทธเจ้ามาย่ำอยู่ที่เท้าจะไม่ขาดความเคารพหรืออันนี้ก็มีคน เอมีคนถามอีกเหมือนกันหลวงพ่อเอ้ยอย่าไปหาคิดมากถึงขนาดนั้นเอใครว่าเท้าสูงใครว่าหัวสูงใครว่าเท้าต่ำใครเป็นคนคิดว่าเท้าต่ำใครเป็นคนคิดว่าหัวสูงใจของเราทางนั้นไปให้ความสมมุติว่าเท้าต่ำหัวสูงเท้ามันก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวมันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ใจของเราไปสมมุติเท่านั้นแต่ถ้าว่าเท้าต่าจริงๆก็ตัดเท้าทิ้งดูสิอ่ะ ตัดเท้าทิ้งดูสิหัวมันจะไปได้เหรอหัวกับเท้ามันก็ต้องมีความสําคัญเสมอเสมอกันหมดนั่นแหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะกําหนดเท้านั่นก็คือเท้ามันเคลื่อนไหวขณะที่เดินจงกรมเพราะฉะนั้นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่เท้าของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายอย่าไปคิดมากนะให้บริกรรมยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราจะมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขนะ นี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่หลวงพ่ออยากจะแนะนำพวกเราท่านทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งบัดเนี่ยเรื่องทางโลกโลกหรอกแต่ว่าเรื่องการเป็นอยู่นะาการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายยุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่ า, ายุคไอทีอยุควิทยาศาสตร์มีอะไรโพดขึ้นมาพวกเราก็จะเชื่อกันไปทุกแห่งทุกหน มีอะไรจริงไม่จริงเออบางทีก็พอเขาพูดมาเท็จจริงยังไงก็ไม่ทราบไม่ได้กันกรองไว้ก่อนย่าจะพูดแต่บางทีเป็นเรื่องของจริงก็จริงอยู่แต่ก็ไม่น่าจะพูดก็กล้าบอยากจะพูดเ อ, อ่ใจจะขาดทําไมได้จะพูดในสิ่งเหล่านั้นฮะสิ่งเหล่านีออ้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมีเครื่องยับยั้งทางจิตใจในสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหน พูดแล้วมันเสียหายก็ไม่ควรจะพูดถ้าสิ่งไหนเสียหายถ้ามันได้ประโยชน์เราก็ควรพูดสิ่งนั้นอันนี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดให้ดีก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทําให้คิดให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะเล่าเป็นนิทานให้แก่พวกเราได้ฟังมีพระนครเมืองหนึ่งเหมือนกันนะ เป็นนิทานอิศบน ะ, ะ Higher, น, น, น, นี่มีนครเมืองหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองพอปกครอง้จะทำยังไงว่าเขาเราจึงจะรู้ได้ว่าเขาพอใจกับการปกครองของเรารัชดรจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีโจรผู้ร้ายไหมหรือว่ามีใครเบียดเบียนซึ่งกันและกันไหมขาดเหลือขาดตกอะไร การเจ็บภาษีของตำรวจทาหารของเราเนี่ยเป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนหรือไม่ทีนี้พระเจ้าเป็นดินท่านก็ปลอมพระองค์ว่ากันเน่ยเป็นสันติบาลออกไปออกไปสอดแนมในเมืองของท่านว่ากันเถอะพอตกกลางคืนปราติกท่านเขาเรียกมหาเล็กผู้ใกล้ชิดมหาดเล็กเนี่ยเขเป็นผู้พร้อมหมดทุกอย่างว่ากันเถอะจะมาทางหมัดทางมวยพร้อมที่จะปกป้องพระราชาได้ว่ากันเถอะ พระราชาก็ไว้เนื้อเชื่อใจมหาดเล็กท่านก็ได้ไปกับมหาดเล็กสองคนพอเดินไปเดินไปไปหลายแห่งหลายหนหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีว่าไงแต่แต่วันหนึ่งท่านก็ไปเห็นยายแก่คนหนึ่งยายแก่คนหนึ่งตําข้าวตําตข้าวใหม่นะได้ข้าวมาใหม่ๆเท่าก็ตำํำยายแก่ตําเดือนไหงนะเดือนไหงเขาตํากลางคืนมันไม่ร้อนตําข้าวตอนนี้พระราชาเดินไป เดินไปไปถูกกลิ่นข้าวที่ไหนแอหอมกุ้นก็เลยบอกมหาดเล็กเอ้ยมหาดเล็กไปขอลำของยายมากินหน่อยสิวะไปขอลำของยายมากินหน่อยสิวะรู้สึกหอมเหลือเกินลำของยายเนี่ยห ม, มหาดเล็กก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเลยพระเจ้าขาังถ้าพระ อ, องค์กินลำเข้าไปแต่มันเสียประวัตินะเสียเกียรติประวัตินะลำน่ะเป็นของหมู เป็นของมา้าเป็นของวัวแต่พระ อ, องค์ไปกินลำเนี่ยมันมันไม่ถูกนะพระราชาไปกินลำเสียประวัตินะทางพระเจ้าแผ่นดินก็เอ้ยข้าอยากเสอย่างว่ะไ ป, ไ, ปไปเอาไปไปเอาเอามามหาเล็กกพ็พระเจ้าแผ่นดินสั่งใช่ไหมก็เลยไปเอามาพอเอามาเสร็จแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็สั่งว่ามหาเล็กมีแต่เธอกับเราเท่านั้นนะ่ะรู้กัน ว่าเรากินล่ําถ้าว่าไปถึงหูคนที่สามขึ้นมาเ อ, อบอกว่ารู้ว่าเรากินลําลยคอเธอขาดเลยนะคอเธอกระเด็นเลยนะจําไว้นะท่า น, นี้มหาดเล็กโอโหตายใช้มาตรการเด็ดขาดขนาดนี้ถ้ามหาดเล็กพูดให้ใครฟังเ อ, อพระราชารู้แล้วว่ามหาดเล็กพูดให้ใครฟัง พอปรหารได้กจะขาดแลว้วงะตัดคอทิ้งเลยวะกันเอะเออเพราะบอกว่า พ, พระเจ้าแผ่นดินกินลำวะกันเถะแต่นี้มหาแล็ ก, กพอผ่านไปแล้วทีนี้พอวันรุ่งเคลื่อนวันต่อไปทีนี้โอ้โหมหาเล็กทีนี้เห็นใครก็อยากจะพูดให้ฟังปากมันคันก็ยุบไปยุบยุจนหาความสุขไม่ได้วะงันเถอะอยากจะพูดความลับให้แกแก่ใครต่อใครฟั ง, งเออแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวคอจะขาดวากันเถอะ เออเอาจยางไงวะพอในส่วนก็เลยอดรนทนไม่ได้สินี่โอ้ถ้าข้าไม่ได้พูดให้ใครฟังเนะี่ยข้าเป็นบ้านแน่ๆวะกันเถอะเออท่นน่ะตามไมจริงเป็นเรื่องของพระราชาตัวเองจึงไม่ไปหาคิดเออขนาดนั้นวะกันมาหาเล็กโอ้เป็นทุกข์เป็นร้อนเออถ้าไม่ได้พูดให้ใครไม่ได้ระบายให้แก่ใครฟังเนะ่ยเป็นบ้านแน่ข้านี้แต่นนี้ก็นั่งนั่งเรือออกไปกลางทะเลเอไปกลางกลางน้ํำวะกัน ไปคิดว่าจะระ บ, บายาว่อพระราชากินลำพระราชากินลำพระราชากินลำเหมือนกันะก็กลัวคนเขาได้ยินเพราะเห็นคนใกลๆก้ๆมันวิตกกังวลมาคนมันจะเป็นบ้าเนี่ยใช่ไหมกลัวเขาจะได้ยินอีกอไม่กล้าพูดหรอกบางทีเผื่อเขาได้ยินล็อกคอเราก็จะขาดอีกเลยกลับเข้ามาพอกลับเข้ามาจะเข้าไปป่าช้าเลป่าช้าคงจะไม่มีใครละ ว, ว่ า, าไม่มีใครล่ะคงจะ เข้าไปป่าช้าเนคงจะไม่มีใครรู้เราจะระบายที่ป่าชา้านพอเข้าไปเอกไปเห็นคนในป่าชา้านอีกไม่น่าไว้ใจคนมาหาของมาขุดหงซุยมาขุดเอากระดูกที่เขาฝังไว้กับคนสมบัติเนี่ยมันมีอยู่นาเไม่กล้าพูดพอได้สุขก็เดินออกมาอีก เ, อเราจะไปพูดที่ไหนนา คิดไปคิดมาก็เลยเข้าไปในป่าดงลึกๆทีนี่ป่านเขาไปป่าดงลึกๆพอไปไปไปเห็นไม้ประดูต้นหนึ่งว่างั้นแต่เออมันเป็นโพรงวากใหญ่ไม้ประดูใหญ่ว่างั้นแต่มันเป็นโพรงแล้วก็มีเครือเขาขึ้นไปเครือเขาเถาวัลย์มันพันขึ้นไปแต่เด้ก็มหาดเล็กเน่ก็เอคงจะขึ้นไปเอพูดใส่โพรงไม้นะวะ จากนั้นก็ปีนเครือเขาขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วก็ไปมองดู อ, อในโพรงไม้ก็ไม่เห็นใครไม่เห็นใครเออเราจะระบายตรงนี้แหละเหพื่อนนนะจากนั้นก็มุดหัวลงไปในโพรงไม้ก็บอกก็ไม่ได้บุพูดเสียงดังเหมือนกันเถะเพื่อระบายไม่ให้มันไม่ให้ตัวเองจะเป็นบ้าตัาเองเหมือนกันเถะบอกว่าพยากินล่ําพยากินล่ําพยากินล่ําอะ จากนั้นก็พอระบายเสร็จแล้วเออสบายใจขึ้นมาทีนี้เพราะมันได้ระบายออกงั้นแหะแต่ก่อนมันอัดอั้นมางัมม้นเถอะเพราะไ่ได้พูดเลยมางั้นเถะจากนั้นก็กลับมาบ้านก็สบายใจละหยุดอยากจะพูดอะทีนี้พอต่อมาพระเจ้าแผ่นดินเอกองภัยรีที่ใช้ในพระนครเนี่ยบอกเวรยามบอกเวล่ำเวลาเที่ยงฉายบ่ายเย็นเน่ยมันชํารดทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็บอกให้เสนาออกมาด้วย กองมันชำรุจแล้วไปหากองใบใหม่มาซิต่นน้พวกเสนาอํามาร์ก็เลยเดินเข้าไปในป่าดงพงไผ่ไปเอาไปเห็นต้นไม้ตัว น, นี้แหละโอ้ไม้ประดูตนนัวนี้สมควรที่จะเป็นกองใหญ่ได้เพราะสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือมันจะเจาะไม้ตันๆเนี่ยมันเจาะไม่ได้เนยมันต้องหาไม้โพรงอมันมีโพรงซะก่อนมันจะเจาะง่ายเพรางั้นเขาก็เลยมาโค่นไม้ต้นนั้นลงก็เลยก็มาตัดให้พอเหมาะแล้วก็ น, นํา ไม้ประดูฑท่อนนั้นเข้ามาแล้วก็มาขัดมาเกลามาทําเป็นกลองใบาบากใหญ่เบอ้อเลอร์อะไรแบบนั้นเออเขาก็เอาหนังมาหุ้มเสร็จแล้วก็ทําเป็นกลองเลเสร็จกลองเขาก็ขึ้นมาล้านอะไรแบบันเลอพานั่งล้านเสร็จแล้วก็เขาก็ให้พระราชาเป็นคนตีก่อ น, นอะไรับบนั้เลยทั้งที่พระราชาตีมันจะเสียงดังตุงตุงตุงเหไรแบบั้นเลแต่ตีคราวนี้ไม่ไมใช่ตีตุงตุง่งทีนี่พอตีเข้าไป พยากิรล่ําพยากิรล่ําพยากินล ำ, นล ำ, นลำนนเหมือนเดิมเออพอเสียงดังขึ้นมาทีนี้พยาหมดท่าเลยเออเป็นเป็นเรื่องอะไรใครจึงรู้จักกองทั้นี้ทำไมยังพูดอย่างนี้เออพระเจ้าแผ่นดินคงจะท่านคงคงจะเออจับมหาดเล็กคนนั้นมามั้งเออพวกเราคิดดูกันแล้วกันว่ามหาดเล็กคนนั้นจะเป็นยังไงเหมือนเดิมเออนี่แหละหลวงพ่อก็เลยนํามาวิเคราะห์บอกว่า พรามหาเล็กผิดพระเจ้าแผ่นดินก็ผิดทําไมพระเจ้าแผ่นดินผิดผิดที่ตรงไหนตัวเองเป็นผู้ใหญ่เอควรทําสิ่งใดไม่ควรทําสิ่งใดก็น่าจะรู้ว่าการกระทํานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยากจะทําก็ไม่ทำอยากจะพูดก็ไม่พูดอยากจะคิดก็ไม่คิดเพราะเหตุใดเพราะมันไม่ถูกเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันที่เราเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กก็เหมือนกันสิ่งไหนที่มันไม่ถูกอย่าทำํำถ้าทําไปแล้วเด็กเขารู้แล้วเราจะเสียหายพ่อเรารู้เขารู้แล้วเขาเอานําไปพูดเขานําไปวิจารณ์มันเสียหายเราเพราะฉนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าพูด อ, อันนี้แหะคือพระราชาเป็นผู้ใหญ่พวกเราเป็นผู้ใหญ่ก่อนลักษณะอย่างนั้นแต่มหาเล็กที่เป็นผู้น้อยทีนี้หน้าตำแหน่ง เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทำไมจะไปคันปากขนาดนั้นเที่ยวเหร อ, อจนอจนอยู่ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นผู้น้อยก็ต้องสำรวมระวังอีกเหมือนกันสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดพูดไปแล้วเสียหายแล้วจะไปพูดไปทำใหม่การที่จะพูดต้องเราก็ต้องกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลก่อนไม่ใช่หลวมปากก็จะพูดไปเลยเสียหายใคร อ, อย่างนั้น ก็ไม่ได้คิดอันนั้นก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะอันนี้ก็คือเป็นการกล่าวย้าตักเตือนพวกเราท่านทั้งหลายการที่จะพูดสิ่งไหนก็ตามต้องคิดให้ดีซะก่อนก่อนที่จะคิดคิดให้ดีซะก่อนและก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำถ้าพวกเราคิดดีแล้วการที่จะพูดและการที่จะทาสิ่งใดออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นผลจะหาเป็นพิษเป็นภัยไม่ได้แต่ถ้าพวกเราไม่คิดให้ดีสะก่อนแล้วก็ทำออกไปพูดออกไปโดยมากไปจะเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวของเราหรกอคนของเราหรือกลุ่มของเราพรรคพวกของเราจะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนะการเป็นอยู่ในโลกนี่พิษภัยมากมายหลายอย่างด้วเกิน เราขอให้พวกเราใช้หลักเหตุผลใช้ศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมปกครองตนเองจะมีแต่ความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขวันนี้เบื้องต้นหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตะมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงพ่อได้ยกว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุดหลวงปู่เนตรของเราเป็นบุคคลที่ควรบูชาคณะสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอายุพรรษาของท่านถึงห้กว่าปีอายุของท่านกับแปปีเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งสําหรับพวกเราในฐานะสิทธิอนุสิ์ลูกหลานทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเน่มา แสดงทำแนวแสดงความแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์กับตนเองเอกับพวกเราท่านทัน้งหลายก็านาไปประพฤติปฏิบัติอันอันดับแรกหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสินมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรจากนั้นกับเรื่องทานทานมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร คนคิดตนีทีเหนียวคนไม่ยอมแบ่งปันใครเป็นอย่างไร เ, เรื่องสินสินห้ามีคุณค่ายอย่างไรเรื่องสมาธิมีประโยชน์อย่างไรแล้วควรพวกเราควรปฏิบัติอย่างไรเพราะพระตเจ้าท่านหนีจากโลกหรือว่าท่านปฏิบัติธรรมที่ท่านออกบวช ท, ท่านออกบวชเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายของท่านที่ได้บำเพ็ญอยู่ในป่าทังหกปีนั้น อันนี้ก็พระพุทธองค์ก็ได้ตัดรู้ธรรมตัดรู้เรื่องอะไรนะหลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวให้แก่พวกเราทัานทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกตามแนวแถวของพุทธะปุเพในวาสารนสติยานจุตูปปาตยานอาสาวัคคยาญในวันเดือนหกเพตนั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดของพุทธะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้นําไปไก่กันกลองไตรตรองลเหตุผล และพร้อมกันก็หลวงพ่อแนะนําวิธีการปฏิบัติภาวนามีสามสี่วิธีกําหนดลมหายใจบริกรรมพุทโธและกับริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็ให้นับเลขตัวเลขดูจากนั้นก็ให้เดินจงกรมวิธีเดินจงกรมแนวตามแนวแถวของหลวงปู่มันท่านเดินอย่างไร อ, อันนี้ก็ได้แนะนําให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นก็ให้ระวังคําพูด วาจาของตนเองควรพูดอย่างไรถ้าไม่ทาว่าเราไม่ได้สำรวมวาจาของเราแล้วจะมีโทษอย่างที่พระราชากับมหาดเล็กอย่างนั้นหละเพราะนั้นการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนต ร, รยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเรา มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน